ไป แ, แย่เอาของฟองเข้ามาแทกแพระจิบจีก็เลยการไปรจิบกรอจีบลุ่มหลงใชผลของมันจึงเกิดเป็ความเดือดร้อนอาการพิจารณาก็คือว่าให้ปล่อยคืนตามของเดิมของเขาอมไม่ฝืนความจริงอันดั้งเดิมะเป็ดูปังอนิจจ์ดู ป, ปังอนัตตานี่เป็นของดั้งเดิมดู ป, ปังทุกขังเป็นของดั้งเดิมให้พยายามพิจารณาให้เห็นชัดปล่อยลงตามความเดิมของเขา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 พิจนารณาแล้วพิจารณานาเล่น า, น า, นาเอาอาการทั้งห้านี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวกรรมฐ า, านเที่ยวอยู่ในนี้แหละไม่ได้ไปภูเขาเราคอที่ไหนก็ตามให้เที่ยวอย่ทองเที่ยวอยู่ตามนี้เบิงบ้งบนเบิ้องล่างเบื่งขวางเบื้องกลางอยู่ภายในร่างกายนี้ทั้งหมดเบิ้องบงก็ตัง้งแต่ศีรษะลงไปข้างล่างนี่พื้นเท้าเข้ามาส่วนร่างกายภายในนี้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 อยู่มากน้อยถึงใายพานจิตใจสลัดออกหมดด้วยสติปัญญาแผดเขากันให้เกรี่ยงไม่มีอะไรเหลือนั่นท่านบักความพ้นทุกข์หรือว่าท่านตรัสรูก้ก็ดีบรรนลุทำก็ดีบรรนลุถึงความบริสุทธิ์นั่นเองส่วนสมมุติท่านก็นว่าไปนี่แหละหักธรรมชาติจริงๆเป็นอย่างนี้รู้ทีนี้แล้วปัญหาทั้งมวลที่มีอยู่ในโลกกว้างแค่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 การแสดงก็เห็นว่าขึ้นตัวนำมาพิจารณาละลี่ยนแ